ทั้งสองเรื่องเลยท่นเลทั้งใจไตทั้งหัวใจเพราะนนท่านจึงเลยมรณภาพไปด้วยความด้วยอาการสงบเมื่อวานหลวงพ่อไปถึงกอท่านก่อนเนี่ยะพอไปถึงใครเขา้าไปถึงโรงพยาบาลท่านก็จากไปทันทีท่านคงจะเห็นว่าเออหลวงพอ่ อ, อมาแล้วงคงจะเป็นอย่างนั้นมรรคปิญญาณของท่านนะเป็นศูนย์เลยท่านเลยที่เป็นยอดของท่านเป็นศูนย์หลวงพ่อขึ้นไปแล้วโอ้ จากไปเล้อยเลื้งหลงตาหลงพ่อเออทํำยังไงได้อายุถึงขนาดนี้ะแปดสิบปีไม่ว่าท่านว่าเราไม่น้อยละไม่มากแต่พวกเราก็จะจะให้ร้อยกว่าปีนั่นแหละแต่ทํายังไงได้ท่านได้ขนาดนี้ท่านเอามาขนาดนี้ก็นับว่ามากพอสมควรตามอายุสังขารของมนุษย์ในยุค ป, ปัจจุบันเพราะนั่นค่ะนฐานะในฐานะพวกเราเป็นลูกเป็นหลานนะ้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 ชุมชนสังคมเป็นพุทธบ ร, ร, ริษัทก็อน้อมรับที่ท่านเป็นพระจากนั้นพวกเราก็จะได้ช่วยกันจัดการจัดงานอย่างที่จะถึงนี่แหละคณะสงฆ์หรือคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทั้งหลายเห็นพ้องต้องกันว่าจะไปชมเพลิงวันที่ยี่สวันนี้ก็เป็นวันที่21่วันที่21วันนี้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 กษัตริย์ทิศสวีทั้งหลายก็เลยฟังพอถึงเจ็ดวันพระมหากัสปเทระท่านก็เดินทางมาจากเมืองปาวาห่างกันไกลไก ล, ไกลพอสมขวดพอเดินทางเจดวันมาถึงพอมาถึงแล้วก็เข้าไปกราบสรีระพระพุทธองค์เข้าไปกราบทางทางเท้าดอกเทวดาก็เปิดฝาโลงเปิดฝาโลง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 ขอนี่ยวันนิมนต์นมนทางใจเลยขอนี่ยมนครูบาอาจารย์ทุกหมู่ทุกเหล่าที่ไดยินแล้วก็เข้ามาได้เลยไม่ต้องเคิร์นเข้ามาร่วมกันเพราะว่าพระมรณะภาคไม่ใช่ัทธายญาติโยมพระด้วยกันมาเพื่อแสดงความสลดสังเวชหรือว่าสังเวชนิยตจฐานดัวกาล่าเรื่องความสลดสังเวช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 พอตายไปแล้วก็นั้นเ อ, อไม่พอใจในการตายของตนเองแสดงว่าพญามัจิุราช์เนี่ย เ, เอาชีวิตของตัวเองไปโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวมาล่วงหน้าพอไปถึงยงมมัทธุตยมพบาสนี่พอเห็นหน้ายมพบานนั่นไม่ได้ว่าใครแนตะ่พวกคนโกรธใช่ไหมล่ะกตบันหน้าด่าเลยฮท่านยมมัทธุททากับข้าพรเจ้าไม่เป็นธรรมเลยในคราวนี้เอาทําไม เพราะว่าไม่ได้บอกล่วงหน้าก่อนที่จะเอาค่าไปเจ้ามาเก็ต้องบอกล่วงหน้าเจ้ก่อนที่ว่าเราจะเอาเราจะเอาท่านไปแล้วนะอนี่เอามาโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวทําอย่างนี้ทําได้ยังไงผมมีพินักรรมผมจะต้องมอบหมายอะไรต่อเมียอะไรต่อญาติพี่น้องลูกหลานามีเรื่องราวต่างเยอะแยะในแต่ละคนแต่ท่านออกมาอย่างนี้ไม่เป็นธรรมสาหรับผมเลย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 กรรมชั่วให้ผลพวกเราจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังพระพุทธเจ้าท่านเรือนพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายลต่อเ น, นี้ไปพระสงค์อนุโมทนาให้พรพวกเราอุทิศส่วนกุศลเนาะถวายกุศลต่อหลวงพ่อของเราด้วยแล้วก็อุทิศส่วนกุศลถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพิจารัยของเราในพบก่อนนะในอดีตแต่ชาติของพวกเราด้วยนะ